บทอันฟาติฮาบทอันฟาติฮาเป็นบทมักกิยะคือถูกประธานลงมาที่นครมักกะก่อนที่นบีมุฮัมมัดสลลลฯอะไล้วะสลัมจะอพยพไปอยู่ที่นครมาริดะมีเจ็ดโอกาสบทอันฟาติฮามีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันเช่นฟาติฮากุลกิตาคือเป็นบทแรกของคัมภีร์อัลกุรอาน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 และการออกห่างจากพุททางที่ปรุงทรงห้ามบอกให้ทราบถึงการตอบแทนการลงโทษและการดำเนินชีวิตในพนทธางที่ถูกต้องอชุอลมาซานีคือองค์การทั้งเจ็ดที่ถูกอ่านซ้าๆกันเพราะเป็นบทที่บัญญัติให้ถูกอ่านเป็นประจำในแต่ละรอกษาของการละหมาทั้งที่เป็นพระดูบังคับและสุนัขที่สงเสริ อันอาซาเป็นรากฐานเพราะบทนี้มีความสำคัญมากเป็นรากฐานของคำพีอัลกุรอานด้วยความเป็นมาของบทนี้ก็คือขณะที่ท่านดบีมอมัซสละลองอะไลวะสลัมอยู่ตามลำพังนั้นได้มียิบรออีนมาเรียกท่านว่าอูมุฮัมมัดจงกลาวบิสลลาฮิรราะห์มานิรรฮี الحمد لله رب ล ل ع ا ل م ي ن تكرتان و لا ضالين ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เข้าใจว่าบทอัลฟาตยาเป็นบทแรกที่ถูกประทานลงมาทั้งหมดและยังเป็นบทที่มีข้อความครบสมบูรณ์เป็นบทแรกอีกด้วยนักวิชาการมีความเห็นต่างกันในการนับองค์การที่เจ็ด ที่มัมชาฟีมีความเห็นว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิยนั้นเป็นองค์การที่หนึ่งดังนั้นจึงจำเป็นต้องอ่านดังในการน้ำหมาดที่อ่านดังและอ่านค่อยในละหมาดที่อ่านค่อยส่วนทัศนะที่มีน้ำหนักถือว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิยไม่ได้เป็นองค์การหนึ่งของบทอัลฟาติยาแต่เป็นองค์การเอกเทศ ส่วนองค์การที่เจ็ก็คือไวริมักบูบิอะไลหิมวะลับบอลีตาเสมอการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู้เปนห่แห่งสากลโลกผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ผู้ทรงอภิสิทิ์แห่งวันตอดแท น, แ น, แ น, นเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราเคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราขอความช่วยเหลื อ, อ, อลขอพระองค์ทรงนแนะนำ พวกเเรราาสู่่ทงงอั น, นตคือทางของบรรดาผู้ที่ปร่งได้ทรงโปรดประทานแก่พวกเขาไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกลิ้วและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิด